ส <48 S 2> ี่สิบแปดนอร์เปตเอกิจกรรมระหว่างการพักร้อนวีดมุไรเซลปอด கள นหาดทรายสะอาดไหมอย இந்த க ட ค் கரை เรย์สุดด์มอ க ์ฮ์อ เล่นน้ำที่นั่นได้ไหมยิ่งกูนีน่แต่โมดียูม่มั้งเล่นน้ำที่นั่นอันตรายไม่ใช่หรือยิ่งกูนี่แุ่วดัดอบาวไอยกระมานอ่ะดอขอเช่าร่มกันแดดที่นี่ได้ไหมคะยิ่งกูคาดอะไรก็ได้วางอะัยก็ได้กูมั้งขอเช่าเตียงผ้าใบาที่นี่ได้ไหมคะ க ิ่งก์เด็กเชิดว க ดหกคி ட กขึ้นมาขอเช่าเรือที่นี่ได้ไหมคะยิ่งกுปะก์วอดกัย் க คลีกขึ้นมาดิฉันอยากเล่นกระดานโต้คลื่นยันักอลาอีเมลซาร์คเกิลเซียเวนด์ดมดิฉันอยากดำน้ำยันักทัล் பாய்ச்சல் செய்ய வ ே ண ் ட ு ம ม ดิฉันอยากเล่นส ก, กีน้ำเยนักนีซิร์เคิล ய ซียเวนด์ขอเช่ากระดานโต้คลื่นได้ไหมคะย i ่งก์อะเล ย, ย์มิลซิร์เคิลเซยุมพัลลั่งไก่วอดัเก็ตคิดเล็กขอเช่าอุปกรณ์ดำน้ำได้ไหมคะยิ่งก์ s กูบะคารว์วีวอดัเก็ตคิดเล็กคุ ขอเช่าส ก, กีน้ำได้ไหมคะยิงงูนีลซิรุคัลพละไกบอร์ดเกะก์กิดเอกมอดิฉันเพิ่งเริ่มหัดนอนตอดกก์นิลเยลดอนอิริกิเรนดิฉันพอเล่นได้นอนสุมาโรากตันเซเวนดิฉันเล่นได้ดีมาก นอด น, นันรอเกเ ว, เเวกก่เซเว่สกีลิฟอยู่ที่ไหนสรุுวிนைยா ட ் ட มินทู த ூย்งி எ ங ิ க ு இ ர ு க ் க ด ற த ுคุณมีส ก, กีมาด้วยหรือเปล่าวันนีด้ดมสรุปวันแยกยอัด ட ัลล ப กัย இ ิு க ் க ி ற த ாดคุณมีรองเทา้าส ก, กีมาด้วยใช่ไหม உ ்ุ ன นิดหนึ่งสรุปคือบล๊อยอัดบูทส์อยู่ที่ใคร